ผีปอบมีต้นกำเนิดมาจากผู้ที่มีวิชาเศยศาสตร์มนดำจนแก่กล้าสามารถใช้อำนาจอันเข้มขลังจากเวทมนต์คาถาไปทำร้ายหรือว่าทำลายชีวิตผู้อื่นเช่นการทำสเสนียาแฝดฝังรูปฝังรอยเสกหนังควายเสกตะปูเข้าท้องหรือใช้มนตรบาบังคับวิญญาณพูดผีไปเข้าสิง วิชาศยศาสตร์เหล่านี้มีข้อห้ามข้อปฏิบัติกำกับอยู่ด้วยนะคะผู้ที่มีวิชาอาคมทางศยศาสตร์ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงระบุนะคะว่าเป็นดิรัชานวิชาจะต้องระวังไม่ให้ละเมิดข้อห้ามข้อปฏิบัติโดยเด็ดขาด หากกระทำผิดข้อห้ามซึ่งชาวอีสานเรียกว่าคาลัมค่ะก็จะเกิดโทษหนักในข้อผิดครูวิญญาณบรมครูจะลงโทษให้กลายเป็นปอบหรืออีกประการหนึ่งก็คื อ, อผู้ที่กลายเป็นปอบก็คือเล่นคาถาอาคมอย่างคลั่งค ล, งคล้แล้วก็ใช้ความขลังแห่งวิชามนดำไปทำลายหรือว่าทำร้ายผู้อื่นอย่างไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรม การกระทําความชั่วเป็นอาจินกรรมกระทั่งถูกอาถรรพ์ของสายเวทย้อนกลับมาเข้าตัวเองกลายเป็นปอบไปในที่สุดค่ะผีปอบยังแบ่งออกเป็นหลายประเภทนะคะเช่นปอบธรรมดาหมายถึงคนที่มีผีปอบเข้าสิงอยู่ในร่างกายเมื่อคนประเภทนี้ตายไปปอบที่สิงสู่อยู่ก็จะตายตามไปด้วยค่ะ ปอบอีกประเภทหนึ่งคือปอบเชื้อนะคะหมายถึงครอบครัวใดที่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นปอบเมื่อเสียชีวิตไปแล้วนะคะลูกหลานก็จะสืบทอดให้ก็จะเป็นปอบต่อไปอีกประการหนึ่งก็คือเป็นกรรมพันธุ์ไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามเรียกว่าเป็นปอบต่อเนื่องกันไปโดยไม่รู้จบค่ะ ปอบแรกหนะ้าหมายถึงปอบเจ้าเล่ห์ถนัดเอาความผิดไปโยนให้ผู้อื่นกล่าวคือเวลาไปเข้าสิงใครเนี่ยนะคะเมื่อถูกสอบถามว่าผู้ใดเป็นคนเลี้ยงหรือว่าบังคับปอบปอบจะไม่บอกความจริงนะหากแต่ว่าจะไปกล่าวโทษว่าเป็นคนนั้นคนนี้โดยผู้ที่ถูกระบุชื่อเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยเลย อีกอย่างนึ่งคือปอบกึกกากค่ะคำว่ากึกภาษาอีสานแปลวา่าใบหรือว่าบางพื้นที่ก็จะเรียกว่ากึกนั่นเองนะคะหมายถึงปอบที่ไม่ยอมพูดอะไรเวลามีคนถามจนกว่าญาติพี่น้องจะไปตามหมอผีมาขับไล่ก็ถึงจะยอมเปิดปากพูดว่าตัวเองเนี่ยเป็นปอบของใครมีใครใช้ให้มาเข้าสิง ผู้ที่ถูกผีปอบเข้าสิงหรือที่ชาวอีสานเรียกว่าปอบเข้าก็จะมีอาการแสดงอาการแตกต่างกันไปค่ะบางคนก็จะแสดงกิริยาอาการดุร้ายบางคนก็จะนอนสมคล้ายกับคนป่วยไข้ยอย่างหนัก บางคนจะร่ำให้ร่ำพันไปต่างๆนานาแต่ไม่ว่าจะมีท่าทีอาการอย่างไรผู้ที่ถูกปอบเข้าสิงก็จะเรียกร้องให้นําอาหารสุกๆดิบๆอย่างเช่นพวกหมูตับไก่หรือว่าจะเป็นพวกไก่ดิบหรือว่าลาบเลือดอะไรงนี้มาให้กินก็เหมือนอนกันกับเวลากินก็จะแสดงความตะกะ ม, มุมามแล้วก็กินได้จุผิดปกติค่ะเมื่อยาดพี่น้องรู้ว่าคนป่วยนี่ถูกปอบเข้าสิงก็จะไปตามหมอผีให้มาไล่ปอบ การไล่ปอบให้ออกจากร่างกายก็มีหลายวิธีเหมือนกันตามแนวทางที่หมอผีได้ร่ำเรียนมาค่ะบางคนก็จะเอาพริกแห้งเนี่ยนะมาเผาให้ควันรมคนป่วยจนสำลักควันออกมาน้ำตาไหลพรากออกมาคันปอบออกจากร่างกายแล้วหมอผีก็จะข่มขู่สอบถามว่าผีปอบเนี่ยเป็นใครมาจากไหน เมื่อปอบรับสารภาพหมอผีก็จะปล่อยไปคนป่วยได้สติหายเป็นปกติในตาที่แดงกำ่ำเนื่องจากถูกควันพริกเผาก็จะหายไปทันทีนะคะแต่ว่าเจ้าของปอบเนี่ยกลับมีอาการในตาแดงกำ่ำด้วยสายเลือดจนต้องหลบหน้าผู้คนอยู่แต่ในห้องไม่กล้าให้ใครพบหน้าค่ะอีกวิธีหนึ่งก็คือหมอผีทั่วไปนิยมใช้ไล่ผีคือใช้วาย เคี่ยนตีไล่ปอบซึ่งก็เท่ากับว่าเคี่ยนคนป่วยด้วยนั่นแหละนะคะหากปอบปากกล้าหรือว่ า, ามีวิช า, าแข็งกว่าหมอผีนะคะก็จะเคี่ยนตีหนักๆจนกระทั่งเนื้อตัวคนที่ถูกปอบเข้าสิงเนี่ยเขียวช้ำด้วยรอยหวายเมื่อปอบยอมแพ้ออกจากร่างไปรอยหวายก็จะค่อยๆจางหายไปนะคะแต่ว่าวิธีไล่ผีปอบแบบนี้เคยเป็นเรื่องแล้วก็เป็นข่าวมาแล้วเนื่องจากว่าผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้ถูกปอบเข้าสิงค่ะหากป่วยเป็นโรค ปราสทาญาติก็เลยคิดว่าปอบเข้าก็เลยไปตามหมอผีมาไล่หมอผีก็จัดการเคี่ยนตีคนป่วยด้วยหวายได้รับบาดเจ็บจนบอบช้ำหลายครั้งหลายหนโดยคิดนะคะว่าปอบนี่ฮึดสู้ไม่ยอมแพ้ค่ะในที่สุดคนป่วยก็เสียชีวิตก็ร้อนถึงตํารวจต้องรีบมาจัดการหมอผีแล้วก็าตามญาติพี่น้องนะคะเพื่อที่จะไปดําเนินคดีตามกฎหมายบ้านเมืองละค่ะแล้วก็หมอผีก็ติดคุกติดตารางกันไปตามระเบียบนะคะ อีกวิธีหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังหมอผีจะนําสัตว์น่าเกลียดน่ากลัวบางชนิดมาข่มขู่ให้ปอบกลัวเช่นคางคกตุ๊กแกหรือว่าจะเป็นงูซึ่งในกรณีนี้นะคะคนที่ถูกปอบเข้าสิงมักจะเป็นผู้หญิงหรือว่าตัวปอบเป็นผู้หญิงแม้จะเป็นผีปอบเองค่ะเธอก็ยังขยับแยงสัตว์ประเภทนี้แล้วก็มักจะยอมออกจากร่างที่เข้าสิงได้ง่ายๆผีปอบที่แก่กล้าเวลาเข้าสิงใครก็จะออกยากหน่อยกล่าวกันว่าใครที่ ผีปอบประเภทนี้เข้าสิงมักจะถูกปอบสิงไปจนตายเมื่อหมอผีดําเนินการไล่ผีปอบจากร่างที่ถูกปอบสิงก็มีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งค่ะก็คือจะปรากฏว่าเป็นก้อนกลมๆอยู่ใต้ผิวหนังปูดนูนขึ้นมาเวลาหมอผีจี้ก้อนกลมๆนี้ด้วยปลายเสกนะฮะมันก็จะเลื่อนหนีได้แล้วก็ก้อนกลมๆนี้ก็จะหายไปหมอผีที่มีวิชาอาคมยังไม่เก่งนะก็มักจะคิดนะฮะว่าปอบนี่ออกไปแล้ว แต่ว่าแท้ที่จริงค่ะคุณผู้ฟังปอบมันแค่เลื่อนมันหนีไปซ่อนตามซ้อขาหนีบหรือว่าอวัยวะเพศก็เลยทำให้หมอผีเนี่ยหามันไม่พบค่ะสำหรับหมอผีรุ่นครูค่ะท่านเองก็จะจู่โจมเข้ามัดข้อมือข้อเท้าแล้วก็รอบคอด้วยได้สายสินเพื่อไม่ให้ปอบเนี่ยหนีออกจากร่างจากนั้นก็จะใช้ไพลเซกจี้ลงไปที่ก้อนกลมๆที่ใต้ผิวหนังเรียกว่าก้อนกลมนี้หนีไปที่ใดก็จะจี้ตามไม่ยอมปล่อยค่ะ เวลาที่ถูกไพลายเสจจี้ทางอีสานเรียกว่าแทงค่ะปอบมันก็จะร้องแบบเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสนะคะหมอผีก็จะขู่บังคับให้บอกว่าเป็นใครซึ่งปอบก็มักจะยอมสารภาพโดยดีค่ะหลังจากทรมานปอบให้หวาดกลัวแล้วก็เข็ดหลับแล้วหมอผีเองก็จะแก้มัดด้วยได้สายสินแล้วก็ปล่อยให้ปอบออกไป หมอผีบางรายก็มีวิธีไล่ปอบชนิดดุเดือดเหมือนกันให้คนที่เป็นปอบนี่อับอายขายหน้าเป็นคนที่เปิดเผยแก่สาธารณชนทั่วไปโดยหมอผีก็จะไปหาหม่อดินของแม่ไม้ที่มีขมเหลวควันไฟจับน้ามาแล้วก็จะเอาหม้อดินเนี่ยมาครอบศีรษะคนที่ถูกปอบสิงแล้วก็ใช้มีดโกนนะคะขูดขมเหลวควันคล้ายกับโกนผมค่ะโกนให้หมดเลยหมดไปครึ่งศีรษะจากนั้นก็จะปล่อยให้ปอบออกจากร่าง วิธีการไล่ปอบแบบนี้นะคะจะทำให้ผู้ที่เป็นปอบหรือว่าเลี้ยงปอบไว้ต้องหลบซ่อนอยู่แต่ในห้องค่ะหรือเวลาออกนอกห้องไปไหนมาไหนต้องใช้ผ้าคลุมศีรษะตลอดเวลาเนื่องจากว่าโดนหมอผีเนี่ยโกนหม้อไปก็เลยทำให้คนที่เป็นปอบเนี่ยผมแหว่งหายไปครึ่งศีรษะเหมือนกันทีนี้พูดถึงเรื่องของผีฟ้า ผีฟ้าเนี่ยก็คือเทวดานะคะไม่ใช่ผีสางอะไรนะคะผีฟ้าสำหรับชาวอีสานซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นเทวดามากกว่าเป็นผีเป็นสาง ก็เลยเป็นผีที่อยู่ระดับสูงกว่าผีชนิดอื่นๆแล้วก็มีความเชื่อว่าผีฟ้าเนี่ยสามารถดับทุกข์ทำลายอุปสรรคหรือว่าช่วยเหลือมนุษย์ผู้ที่กําลังเดือดร้อนได้นะคะปพระเชื่อว่าการที่มนุษย์เจ็บป่วยเนื่องจากไปละเมิดต่อผีละเมิดต่อบรรพบรุษแล้วก็การรักษาจึงต้องมีการเชื้อเชิญค่ะผีฟ้าเนี่ยมาเข้าสิงในร่า ง, งคนทรงชาวอีสานมักเรียกกันว่าผีฟ้านางเทียน โดยในพิธีกรรมจะประกอบไปด้วย4องค์ประกอบก็คือหมอลำผีฟ้าผู้ป่วยเครื่องคายแล้วก็หมอแคนค่ะผีฟ้ากับหมอลำเกี่ยวข้องกันอย่างไรผีฟ้ากับหมอลำเกี่ยวข้องกันอย่างไรอันนี้ก็มีคนถามมาเหมือนกันหมอลำผีฟ้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงที่มีอายุยกเว้นในบางพื้นที่เช่นจังหวัดเลยก็จะเป็นหญิงสาวค่ะแล้วก็จะต้องสืบเชื้อสายมาจากกลุ่มหมอลำผีเท่านั้นนะคะแต่อันที่จริง ผีฟ้าสามารถสิงได้ทุกเพศทุกวัยหมอแคนจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเป่าแคนนะเพราะว่าในพิธีการเนี้จะต้องใช้เวลานานแล้วก็จะต้องมีการเป่าตลอดเวลา ผู้ป่วยจะต้องแต่งกายตามที่กำหนดไว้นั่นก็คือมีผ้าไหมหรือว่าผ้าเขาม้าผ้าบ่ามีดอกมะละกอร้อยเป็นพวงทัดหูแล้วก็สามารถฟอนรํรำกับหมอรำได้สุดท้ายคือเครื่องคายค่ะเป็นสิ่งที่อัญเชิญครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วให้มาช่วยรักษาผู้ป่วยนั่นเองทีนี้รำผีฟ้าเป็นอย่างไร ส่วนในการรำผีฟ้าจะแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นนะคะเมื่อครูบาเก่าเข้าสิงร่างทรงผู้ทําพิธีจะต้องสวมผ้าสิ้นทับผ้าที่สวมอยู่หรือหากเป็นผู้ป่วยหญิงครูบาจะสวมผ้าแพรหรือว่าผ้าฝ้ายโดยสวมทับผ้านุ่งเดิมซึ่งจัดไว้ใกล้ๆกันกันกบเครื่องทายนี่แหละคะ่ะในการรักษาทุกคนจะต้องฟ้อนรำแล้วก็ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยเป็นหลักด้วยหากผู้ป่วยต้องการดูการฟ้อนรำก็จะทําหน้าที่ต่อไป แต่ถ้าไม่ต้องการก็จะนำเครื่องทายขึ้นไปเก็บไว้บนหิ้งและร่วมกันรับประทานอาหารก่อนที่ผู้ป่วยจะกลับหมอลำผีฟ้าจะนำกลองกิ่งกลองศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาตีเพื่อให้เสียงดังไปถึงพญาแทนหรือว่าผีหลวงนะคะเพื่อให้ลงมาคุ้มครองก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีค่ะ สาเหตุที่มีการฟ้อนรำก็เพื่อให้คนไข้มีพลังจิตในการต่อสู้กับความเจ็บป่วยมีอารมณ์ผ่อนคลายจิตใจปลอดโปร่งและก็สร้างจิตสำนึกด้านความกระตันยูต่อบรรพบุรุษค่ะซึ่งได้สืบทอดต่อมาจนกลายเป็นประเพณีและจะเห็นว่าผีฟ้าเป็นสิ่งที่ยึดเหนียวจิตใจมนุษย์โดยมีคติเตือนใจนะคะว่าคนไม่เห็นแต่ผีเห็นนั่นเองค่ะ ทีนี้ก็มีกฎเหมือนกันนะคุณผู้ฟังส่งท้ายนิดนึงค่ะกฎของคนที่เป็นผีฟ้าผีแถนเนี่ยคือเขาบอกว่าห้ามแต่งงาน ถ้าละเมิดกฎข้อนี้ไปคนที่เป็นร่างทรงของผีฟ้าผีแทนก็จะกลายเป็นปอบไปนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับปอบผีฟ้าก็ได้ถูกนํามาสร้างเป็นละครหลายครั้งหลายคราวจนโด่งดังทั่วบ้านทั่วเมืองตั้งแต่บียังเป็นเด็กน้อยเลยนะคะจนกระทั่งโตมาก็เปลี่ยนไปหลายรุ่นเหมือนกันที่แสดงเป็นทางพระเอกนางเอกทางช่อง7จ็ดสีนั่นเองค่ะ พูดถึงเรื่องของผีปอบแล้วก็ผีฟ้าผีแถนกันไปแล้วทางภาคอีสานนะคะแล้วก็ภาคเหนือบางพื้นที่ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของผีกะกันบ้าง ลักษณะของผีกะนะคะก็คือจะเป็นวิญญาณที่มีคนนำมาเลี้ยงไว้ในหม้อห่อด้วยผ้าขาวแล้วก็จะถูกส่งตกทอดมาสู่ลูกหลานเสมือนว่าเป็นมรดกชิ้นหนึ่งแต่ถ้าไม่มีลูกหลานคนใดเหลือให้สืบทอดแล้วจะเก็บเอาสิ่งของแก้วแหวนเงินทองของมีค่าฝังไว้ใต้ดินบริเวณบ้านถ้ามีผู้ใดนะคะขุดพบแล้วนาไปเป็นของตนคนนั้นค่ะก็จะต้องเป็นเจ้าของผีกะคนต่อไป ผีกะเนี่ยจะมีนิสัยอาฆาตแค้นคนที่ทำให้มันอับอายถ้าคนคนนั้นดวงตกเมื่อไหร่นะคะมันก็จะกลับไปแก้แค้นทันทีค่ะส่วนอาหารที่ผีกะชอบกินคล้ายกันกันกบปอบเลยคุณผู้ฟังคือชอบกินของสดของทาวทั้งของคนแล้วก็ของสัตว์ค่ะมีเรื่องเล่าอยู่นะคะเรื่องของผีกะค่ะเรื่องเล่าบอกว่าผีกะเนี่ยมักจะมาชอบทาร้ายคนที่ดวงตกหรือว่าคนที่ขวัญอ่อนชอบทาร้ายเด็ก แล้วก็ทำร้ายคนที่มันหรือเจ้าของไม่ชอบนะคะการออกไปทำร้ายคนของผีกะนั้นจะมีอยู่2 ส, สาเหตุด้วยกันก็คือ 1. เจ้าของสั่งให้ไปทำร้ายกับ 2. เจ้าของเลี้ยงไม่ดีผีกะก็เลยต้องออกไปทำร้ายคนอื่นเพื่อให้เจ้าของอับอายขายหน้านั่นเองการทำร้ายของผีกะนั้นอาจจะไปเข้าฝันคนที่มันต้องการจะทำร้ายในความฝันนั้นผีกะจะแปลงเป็นหมาดาค่ะแล้วก็จะเข้ามาทาร้ายเราในความฝัน ถ้าเราสู้มันในความฝันไม่ไหวก็จะตายทันทีนะคะอันนี้คือตายจริงๆนะชักตายจริงๆก็คือไหลาตายนั่นเองนะคะแต่ว่าอีกวิธีหนึ่งในการทำร้ายของผีกะคือจะไปเข้าคนที่ดวงตกขวัญอ่อนหรือว่าเด็กโดยการเข้าสิงถ้าไม่มีใครมาปราบผีกะคนคนนั้นก็จะตายทันทีเช่นกันคนสมัยก่อนเล่านะคะว่าก่อนผีกะจะออกจากร่างชาวบ้านที่มาเห็นจะเอา เตี่ยวหม้อนึ่งนะคะก็คือผ้าที่ใช้พันรอบรอยต่อระหว่างหม้อนึ่งกับไห่นึ่งข้าวของชาวเหนือนะคะพันคอไม่ให้มันออกจากร่างแล้วก็ขู่ให้ผีกะบอกชื่อคนที่เป็นเจ้าของวิธีการปราบผีกะที่เข้าสิงร่า ง, งคนมีอยู่2วิธีนะคะเท่าที่รู้มาค่ะวิธีที่1คือผู้ที่มีอาคมนี่จะขู่ไม่ให้อ่าบอกว่าให้ผีกะนี่บอกชื่อนะคะแล้วก็จะถามหาสาเหตุว่าที่เข้ามาทําร้ายคนนี้คือเข้ามาทําไม และก้อนไล่ให้ออกจากร่างไปแต่ว่าถ้าผีกะไม่ยอมออกจากร่างค่ะผู้ที่มีอาคมก็จะใช้กะลามะพร้าวหรือว่าหม้อแกงสวมศีสะคนที่ถูกเข้าสิงแล้วก็ท่องคาถาเอามีดขูดกะลามะพร้าวหรือว่าหม้อแกงเมื่อผีกะออกไปแล้วรุ่งเช้า ผมคนที่เป็นเจ้าของผีกะนี่ก็จะร่วงตามมีดที่ผู้ที่มีอาคมนั้นขูดกะลามะพร้าวหรือว่าหม้อแกงเอาไว้ฉะนั้นสาวบ้านก็จะได้รู้นะคะว่าใครเป็นเจ้าของผีกะคือคนที่ผมร่วงนี่แหละนะคะเอ๊คุ้นๆ น, นะเหมือนเหมือนตอบเลยเนาะเมื่อกี้ที่เล่ามา อีกวิธีหนึ่งค่ะคือถ้าผีกะไม่ยอมออกจากร่างผู้ที่มีอาคมก็จะเป่าพริกแห้งที่ตำแล้วเนี่ยใส่ตาคนที่ถูกผีกะเข้าสิงค่ะเมื่อผีมันออกจากร่างแล้วรุ่งเช้านะคนที่เป็นเจ้าของผีกะนั้นก็จะตาแดงค่ะจนไม่กล้าออกไปข้างนอก หลังจากนั้นผู้ที่มีอาคมจะต้องป้องกันตัวเองแล้วก็ลูกหลานโดยจะใช้คาถาต่อเจ็ดตัวมัดคอลูกหลานเอาไว้เพื่อจะไม่ให้ผีกะทำอันตรายได้นะคะขอบคุณแหล่งข้อมูลค่ะจากชาวบ้านตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะหมดเวลาแล้วละค่ะสำหรับเรื่องตำนานเกี่ยวกับผีปอบแล้วก็ผีฟ้าผีแถ รวมถึงเรื่องของผีกะของทางภาคเหนือด้วยนะคะวันนี้หากว่าข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยณะที่นี่ด้วยหมดเวลาแล้วลวะคะ่ะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะมาดูกันว่าเราจะเอาเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ